ตอนที่ห้หนางไม่ลดตัวลงมาล่อลวงข้าด้วยซ้ําเสี้ยชิงจือเริ่มตระหนักถึงความผิดปกตินางขมวดคิ้วมุนเดิมทีหลังจากที่นางย้อยยุไว้ในช่วงกลางวันไม่หลิงเซินกลับมาสิ้นอ๋องแล้วหวังเฟยย่อมต้องลงโทษเขาที่ถูกเยาว่าล่อลวงแต่เมื่อราชองค์การและรางวัลพระราชทานจากฝาบาทมาถึงสิ้นอ๋องแล้วหวังเฟยก็ไม่อาจเอ่ยปากตําหนี่ได้อีกในเมื่อฝาบาทตรัสว่าหลิงเซินทําสิ่งที่ถูกต้องและทําได้ดีหากพวกเขาลงโทษหลิงเซินมิเท่ากับเป็นการต่อต้านฝาบาทหรอกหรือ แผนการนี้เล็งเห็นจุดตายของสิ้นอ๋องและหวางเฟยได้อย่างชัดเจนคงเป็นหลินเซินที่คิดขึ้นมาเองการเสี่ยมให้แตกคอกันในครั้งนี้ถือว่าเสียเปล่าโดยสิ้นเชิงแต่เมื่อลองคิดดูอีกทีก็ไม่เสียเปล่าไปเสียหมดอย่างน้อยก็ทำให้สิ้นอ๋องและพระชายารู้สึกรังเกียจเยว่ไปแล้วแผลบนหน้าผากยังคงปวดตุกๆแต่เสี้ยชิงจือกับลอบยิ้มอย่างไรเสียครั้งนี้นางก็ไม่ได้พ่ายแพ้เสียทีเดียวหลังจากความเงียบงันอันยาวนานในที่สุดสิ้นอ๋องก็เอ่ยขึ้นด้วยน้ำเสียงทุต่ม เจ้าเก่งขึ้นแล้วนะถึงขั้นอัลฟาบาดมาข่มขู่เปิ่นหวางลินเซิร์ยังคงนิ่งเงียบเตรียมใจรับคำด่าทอทว่าสิ้นอ๋องตอบเงียบไปครู่หนึ่งก่อนจะถอนหายใจยาวแล้วค่อยๆในหน้ามองเขาโดยไม่ได้ด่าว่าอะไรเขามองจ้องอยู่นานจึงถามขึ้นอีกครั้งบอกเสด็จพ่อมันนี่เป็นความคิดของเจ้าหรือเป็นความคิดของแม่นางน้อยตระกูลเยเวลินเซอตอบตามความจริงเป็นความคิดของลูกเองพยะยะค่ะ ในใจเขารู้สึกอึดอัดเล็กน้อยเขาเองก็อยากให้เป็นความคิดของเยว่าเช่นกันแต่แม่นางน้อยไร้น้ำใจผู้นั้นไม่เคยเห็นเขาอยู่ในสายตายิ่งไม่ต้องพูดถึงการเก็บเขาไว้ในใจและคิดหาทางหนีที่เล่ห์ให้เขาถึงเพียงนี้ทั้งที่นางเองก็รู้ว่าการที่หลินเซินช่วยบรรเทาทุกย่อมต้องถูกสิ้นอ๋องตำหนิอย่างแน่นอนแต่เมื่อนึกถึงว่าอย่างน้อยนางก็ยังอุตส่าห์ถามถ่ายประโยคนั้นหลิงเซินก็รู้สึกดีขึ้นมาบ้างมุมปากปรากฏรอยยิ้มที่แทบจะมองไม่เห็นสิ้นอ๋องพยักหน้าพังล่อประ ยังถือว่าเจ้าพอมีสมองอยู่บ้างไม่ได้ถูกนางล่อลวงจนเสียผู้เสียคนไปทั้งหมดหลินเซิร์นลอบยกมุมปากก็ไม่แน่พยาคะ่ะเสียงของเขาค่อนข้างเบาสิ้นอ๋องจึงฟังไม่ถนัดอะไรนะหลินเซิร์นเปลี่ยนคําพูดลูกจะบอกว่านางไม่ลดตัวลงมาล่อลวงลูกด้วยซ้ําหากนางยอมมาล่อลวงเขาจริงๆหลินเซินคงจะยินดีเป็นอย่างยิ่งคนทั้งครอบครัวต่างรับรู้ถึงความหมายในคําพูดของเขาทําเอาสิ้นอ๋องและหวางเฟยหน้าดําคร่ำเครียดด้วยความโกรธพร้อมกัน เสี้ยชิงจือก้มหน้างเงียบไม่ปรีปากทว่ามือกลับออกแรงจนแทบจะฉีกผ้าเช็ดหน้าผ้าไหมให้ขาดคา ม, มือในที่สุดสิ้นอ๋องก็ระเบิดอารมณ์โกรธเขาลุกพรดขึ้นชี้นิ้วสัน่นเทาไปที่เขาแต่กลับหาคำดา่าทอไม่ได้อยู่นานสุดท้ายก็ได้แต่ทิ้งท้ายไว้อย่างไร้ทางเลือกเจ้าลูกอกตันยูแล้วก็สะบัดหน้าจากไปด้วยความโมโหหวังเฟยเองก็จนปัญญาในตัวหลิงเซินนางคอนขอบใส่เขาด้วยความไม่พอใจสองทีก่อนจะรีบตามไปปลอบโยนสิ้นอ๋อง เหลือเพียงเสียชิงจือที่ยังรั้งอยู่ลินเซินมองตามแผ่นหลังของสิ้นอ๋องและหวางเฟยด้วยความลำพองใจพอหันกลับมาก็เห็นแผลบนหน้าผากของเสียชิงจือโดยไม่ทันตั้งตัวเขาขมวดคิ้วแผลนี่มันเรื่องอะไรกันขอบตาของเสียชิงจือเริ่มแดงกับนางหลบสายตาเขาไม่มีอะไรจะกระแค่บังเอิญกระแทกโดนปากพูดเช่นนั้นแต่พอรับหลังกลับส่งสายตาให้เจินจูเจินจูลังเลครู่หนึ่งก่อนจะประสานงานเอ่อยขึ้น ไม่ใช่เจ้าขะเป็นเพราะตอนกลางวันถูกคุณหนูตระกูลเยว่าถุงเงินใส่จนบาดเจ็บเจ้าค่ะเสี่ยชิงจือยังคงแซงทำเป็นโกรธเจนจูอย่าพูดมากเจนจูดีทีจึงรีบผูกปากลงอย่างว่าง่ายคิ้วของหลินเซินขมวดมุ่นยิ่งกว่าเดิมเย่เยาปาถุงเงินลงบนพื้นก็จริงแต่เขาจะไม่ได้ว่าเสดเงินในถุงนั้นกระเด็นไปโดนตัวเสี่ยชิงจือต่อให้โดนจริงเสดเงินเล็กๆนั่นก็ไม่น่าจะทำให้เกิดแผลชะกันถึงเพียงนี้ เซียชิงจือยังคงแสดงบทบาทหญิงสาวผู้อ่อนโยนและ ว, ว่าง่ายต่อไปพี่เซินอย่าไปฟังเจินจูพูดเหลวไหลเลยเจ้าคะเรื่อง น, นี้ไม่เกี่ยวกับพี่หญิงเยเว่จริงๆเป็นเพราะข้าไม่ระวังจนกระแทกโดนเองเจ้าค่ะนั่งหยิบผ้าเช็ดหน้าผ้าไหมขึ้นมาเช็ดน้ําตาด้วยท่าทางหน้าเวทนาหลิงเซินขมวดคิ้วอีกครั้งในเมื่อไม่เกี่ยวกับเยว่แล้วท่าทางเสียใจเหมือนจะร้องให้นี่มันหมายความว่ายอย่างไรเป็นครั้งแรกที่หลิงเซินรู้สึกรำคาญเซียชิงจือขึ้นมา เซีย่ยชิงจือพยายามเรียกร้องความสนใจและความหงอยใจจากเขาต่อท่านหมอมาดูอาการแล้วและใส่ยาให้แล้วเจ้าข้าบอกว่าไม่ใช่เรื่องใหญ่อะไรอีกอย่างแผลบนใบหน้าของข้าก็ใกล้จะหายแล้วคงจะถอดผ้าคลุมหน้านี้ออกได้ในเร็ววันลินเซินหมดความอดทนเขาพยักหน้าตัดบทนางเช่นนั้นก็ดีนี่ก็ดึกมากแล้วรีบไปพักผ่อนเสียเถอรักษาตัวให้ดีเซีย่ยชิงจือนางยิ่งอยากจะพูดอะไรต่อแต่แผ่นหลังของลินเซินก็เดินไกลออกไปแล้ว เสียชิงจือยืนอึ้งอยู่กับที่ดวงตาเต็มไปด้วยความตื่นระหนกและเคียดแค้นที่เซินของนางไม่เคยเย็นชากับนางเช่นนี้มาก่อนเขาเคยวางตัวสุขุมและห่วงใยอย่างอ่อนโยนเสมอทว่าเมื่อครูเขากลับทิ้งเพียงคำพูดตามมารยาทอันจืดชืดแล้วเดินจากไปเป็นเพราะเยวาวาเป็นเพราะนางปรากฏตัวขึ้นที่เซินถึงได้เปลี่ยนไปแควในที่สุดผ้าเช็ดหน้าผ้าไหมในมือก็ถูกเสียชิงจือฉีกขาดคามือ เจนจูตกใจจนสูดลมหายใจเข้าลือขดตัวเงียบปริบเงอยเย็นๆผุดพรายขึ้นเตามหน้าผากคุณหนูดูเหมือนจะเปลี่ยนไปแล้วเปลี่ยนเป็นหน้าเกรงขามขึ้นเรื่อยๆราชาองค์การในคืนนี้ทำให้คนทั้งเมืองหลวงต่างพากันปรบปื้มยินดีและยังทำให้เย่เยาประหลาดใจเช่นกันแต่หลังจากพิจารณาอย่างทีทั่วแล้วนางก็อดไม่ได้ที่จะหลุดคำออกมา หลินเซินเจ้าคนผู้นี้แม้สมองจะมีปัญหาแต่กลับมีความคิดพลิกพลงอย่างหาได้ยากถึงกับคิดใช้ฟาบาทมากดดันสิ้นอ๋องเสียแรงที่นางอุตสาหเป็นห่วงว่าการที่เขาช่วยนางบรรเทาทุกจะทําให้เขาอธิบายกับสิ้นอ๋องไม่ได้ที่แท้ก็เป็นห่วงเสียเปล่าขณะที่ยกถ้วยน้ําชาขึ้นมายังไม่ทันถึงริมฝีปากเยว่ก็พลันชะงักงันในหูว่าเสียงคำพูประโยคหนึ่งของหลินเซินเมื่อตอนกลางวันเยาเยากาลังเป็นห่วงซื่อจื่อผู้นี้อยู่หรือ มือของเยววสั่นสถานถ้วยน้ําชาร่วงหล่นลงพื้นน้าชาสาดกระเซ็นจนเปียกชุ่มไปถึงสาบเสื้อนางเป็นห่วงเขาจริงๆหรือเป็นไปไม่ได้เจียนเจียได้ยินเสียงจึงรีบเข้ามาข้างในเมื่อเห็นเศษถ้วยน้าชาบนพื้นก็เรียกให้ไปลูกเข้ามาเก็บกวาดคุณหนูท่านเป็นอะไรไปเจ้าคะเยววตั้งสติไม่มีอะไรหางตาเหลือบไปเห็นชุดที่แขวนผ ย, ยู่บนราวอย่างงดงามโดยไม่ตั้งใจนางจําไม่ได้ว่าตนเองมีชุดนี้ ชุดนี้งดงามเกินไปแล้วภายใต้แสงเทียนยามดึกสงัดยังทอประกายระยิประยับคาดว่าคงทอขึ้นจากไหมนกยุงเจ็ดสีขนาดอยู่ใต้แสงเทียนยังงดงามจับตาถึงเพียงนี้หากสวมออกไปกลางแดดตอนกลางวันคงจะยิ่งโดดเด่นสะดุดตามากกว่าเดิมทว่าวสีสันและรูปแบบของชุดกลับดูเรียบหรูและมีเอกลักษณ์ยิ่งนักสีเหลืองอ่อนตัดกับสีขาวราหิมะหากสวมใส่แล้วคงดูราวกับเทพพิดาผู้ไม่กินเส้นไหมในโลกมนุษย์สิ่งนี้ต้องมีมูลค่ามหาศาลอย่างแน่นอนเยวเอว่ยถาม ชุดนี้มาจากไหนเจียนเจียประหลาใจนี่เป็นชุดที่ซื้อจื่อส่งมาอย่างไรแล้วเจ้าคะเยวอตกตะลึงเขาเนี่ยนะคุณหนูลืมแล้วหรือเจ้าคะก่อนหน้านี้ซื้อจื่อมาขอพบทุกวันส่งเสื้อผ้ามาให้ทุกวันแต่คุณหนูไม่ยอมพบและไม่ยอมรับไว้ต่อมาที่พบกับซื่อจื่อที่หอฟังฮิมะวันนั้นซื้อจื่อบอกว่าหากคุณหนูไม่ยอมรับเขาก็จะส่งมาจนกว่าท่านจะยอมรับเยวอนึกออกแล้ว นางยกมือขึ้นตัดบทเจนเจียเจยนเจียเองก็รู้ความจึงรีบผูกปากลงวันนั้นหลินเซินตะโกนเสียงดังจนได้ยินไปทั้งถนนเรื่องที่ซื่อจื่อผู้นี้รับปากไว้จะไม่มีวันผิดคำพูดถากเจ้าไม่ยอมรับเสื้อผ้าค่าก็จะส่งมาจนกว่าเจ้าจะยอมรับตอนนั้นเพียงแค่คิดว่าเขามีโอกาสจะชอบตอนเองนางก็ขนลุกสู้ไปทั้งตัวแล้วถว่าวันนี้เขากลับพูดออกมาจริงๆว่าชอบนาง เจียนเจียส่งถ้วยน้ําชาที่ชงใหม่มาให้เยวอีกครั้งเยวอรับมาแต่แล้วก็ทําร่องหล่นลงไปอีกคราวนี้ชายกระโปรงก็เปียกโชกไปด้วยเจียนเจียถึงกับตกตะลึงเยวอทาได้พิงนิ่งเงียบสายตาเหลือไปเห็นประกายจากไหมนกยุงเจ็สีของชุดนั้นอีกครั้งโดยไม่ตั้งใจนางก้มหน้าลงเอามือกลุมขมับแล้วถอนหายใจยาวปวดหัวเหลือเกินเจ้าหมอนี่ชอบอะไรในตัวข้าข้าจะแก้เสียให้หมด ราตรีเริ่มดึกสงัดก่อนนอนเสี่ยชิงจือได้ส่งจดหมายฉบับหนึ่งให้เจินจูเมื่อจวนอองเงียยสงัดไร้สะพเสียงเจินจูก็แอบออกจากจวนไปท่ามกลางความมืดอย่างเงียบเชียบ